พระทั้งหมด42รูปพระจำพรรษาลงมาฉัน26งดฉัน16วันพนระงดฉัน16รูปเหมือนกับพวกเราทำมาค้าขายถ้าทำมาค้าขายค้าขายยังไงจึงจะได้กำไรถ้าหากว่าเราไม่มีการเพิกแพงเปลี่ยนแปลง ไม่มีการทดสอบทดลองในการทำมาค้าขายพวกเราก็ทำมาค้าขายก็เป็นวันๆไปผลกำไรที่งอกเงยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตามไมหญิงทาาว่าเราได้กำไรอยู่แล้วทำไปได้ได้กำไรอยู่แล้วอันนี้เป็ว่าเราทำมาถูกทางการทำมาค้าขายของเราถูกทาง แต่ถ้าว่าพวกเราทำมาค้าขายเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วันนี้คุ้มดีคุ้มไราาบางทีก็ดีเหลือล่อนแต่บางวันก็ อ, อยู่ทุนก็ไม่อยู่ยังขาดทุนอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้เจ้าของกิจการเจ้าของกิจกรรมต้องมองดูตัวเองต้องปรับปรุง มันดีเพราะอะไรที่มันไม่ดีเพราะอะไรมันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในพ่อค้าแม่ค้าที่ดีพ่อค้าที่หวังความเจริญก้าวหน้าในการทำมาค้าขายเขาต้องปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่องในการภาวนาของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนักปฏิบัติเราต้องตรวจตราดูตนเองแต่ละวัน วันนี้เราภาวนาอย่างนี้เราฉันอาหารอย่างนี้เราเดินถึงกลมภาวนาอย่างนี้เราปล่อยจิตปล่อยใจอย่างนี้การครบค้าสมาคมกับผู้คนอย่างนี้หรือว่าการเก็บตัวของเราอย่างนี้หรือการมองดูตัวเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่เราให้สังเกตแต่ไหน ในเมื่อเราสังเกตเราจะรู้จักวิธีการมันขาดทุนกำไรอย่างไรแต่ละวันแต่ทาวพาพวกเราดูตัวเองแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าวันนี้มันลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นทดลองลสิผ่อนอาหารดูสิเป็นยังไงแล้วก็อดอาหารดูสิเป็นยังไงอดสองสามวันเป็นยังไงอดนอนเป็นยังไง ทั้งอดนอนโดยทั้งผ่อาหารด้วยเป็นยังไงจิตใจของเราเป็นยังไงในขณะที่เราอดนอนพ่อนอาหารเรื่าเราอดอาหารฉันอาหารให้อิ่มเต็มที่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้นักสังเกตสังเกตตัวเองไม่ใช่สังเกตร่างกายนะสังเกตก จ, จิตใจใจของเราก็เพิ่มยังไงใจของเรามันวันไหวกวยแวงอย่างไรมันไปทางไหนไปทางโลก ทางกโกรธหรือทางหลงหรือทางราคาโทสะโมหะใจของเรารู้เง่อถ้าว่าเราทำอย่างนี้ใจของเรามันร้อนมีอะไรอารมณ์เข้ามาหน่อยเดียวก็วร้อนมันร้อนเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรทำไมใจของเราไม่มีเหตุมีผลเราต้องหาวิธีการเบลหรือว่าพิจารณาหรือทำสมาธิ เราจะใช้ปัญญาตัวไหนพวกเรามองออกนอกตัวมากเกินไปหรือเปล่ามันจึงมีอารมณ์ไม่พอใจโกรธโมโหโกรธาใครทำอะไรก็ผิดใจของเราอยู่ตลอดมันเป็นยังไงเราเพ่งมองไปข้างนอกเราไปยึดว่าโลกนี่เป็นของตัวเองมากเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมโลกทั้งโลกเป็นของเราเราจะไม่หนีจากโลกนี้ตลอดอนันตการอย่างนั้นใช่ไหม อันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันใช้ปัญญาทบทวนเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณากานกรองไตร่ตรองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิของเราอันดับแรกเรื่องสมาธิของเราเป็นพื้นฐานจากนั้นเราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้นี่แหละอันนี้คือวิธีการสำหรับพวกเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าเวลาไหนก็วเวลาเก่า เคยทำยังไงก็ทําไปอย่างนั้นไม่มีการพลิกแพงไม่มีการสังเกตตัวเองจิตใจของเราก็จะไม่ก้าหน้าแต่พอพวกเราสังเกตตัวเองอยู่เสมอช่วงนี้ทําไมพราะเหตุไรถ้ามาเราภาวนาดูแล้วจิตใจมันปุ่งฟุง้งมันทําไมปุ่งไปทั้งโลกมันปุ่งไปด้วยอะไรเอาอดอาหารด้ซิ แต่พออดอาหารเข้าไปบางทีมันยิ่งฟุ้งใหญ่ฟุ้งใหญ่เอาต่อยกลับมาก่อนมาฉันอาหารพอฉันอาหารเขียนเข้าใหม่ดูที่มันฟุ้งมันฟุ้งมาจุดไหนทําไมมันจึงฟุ้งวันนั้นมันฟุ้งมาจุดไหนถ้าจุดที่มันฟุ้งฟุ้งจิตใจที่มันฟุ้งมันมีเหตุอะไรมันจึงฟุ้งอันนี้เราก็ต้องสังเกตอีกถ้าเราสังเกตเราจะเห็นเราจะเห็น แต่เห็นแล้วเราจะได้ปรปับปรุงแก้ไขนี่แหละวิธีการแต่นักปฏิบัติทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักพจนักปูดไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตตัวเองการภาวนาก็เหมือนกับการทํามาค้าขายถ้าเรารู้จักวิธีการการทํามาค้าขายพ่อค้าคนนั้นแม่ค้าคนนั้นก็มีพร้อมที่จะพลิกแพง เรื่องว่าเจริญก้าวหน้าในการทำมาค้าขายของเขาไปได้แต่ถ้าว่าไม่ได้สังเกตวันไหนก็วันเก่าเคยทำยังไงก็ทำอย่างเก่าอันนั้นแปลว่าแม่ค้าคนนั้นไม่มีความก้าวหน้าแน่ๆพูดใจอย่างนั้นนีหละหลักของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกับพระสาวกในครั้งพุทธกาล เมื่อได้รับธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบายจารย์และรับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างพระจักครูบาลอย่างเนี้ท่านก็บอกว่าในพรรษาตลอดไตรมารสามเดือนข้าพรเจ้าจะไม่เอ็นกายข้าพรเจ้าจะไม่นอนจะอธิษฐานจิตอธิษฐานว่าข้าพรเจ้าจะเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนในพรรษานี้ สมเดือนฟังเลยสิอันนี้เป็นอัตกิลมถฏฐานไหมถ้าที่มูดพูดอีกมุมหนึ่งก็ใช่ล่ะคนไม่นอนมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ว่าจะอัตกิลมถฏฐานไหมทําร่างกายให้ลําบากเปล่าใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่ถึงท่านจะทําลําบากทําร่างกายให้ลําบากก็จริงอยู่แต่ท่านภาวนาของท่านส่วนจิตใจของท่านท่าน ยึตัวไหนเป็นหลักแต่ทรมานกายในแน่นอนถ้าไม่ทรมานกายไม่กระเทือนถึงใจเพราะฉะนั้นต้องทรมานกายเพราะทรมานกายเกิดกระเทือนถึงใจเพราะใจมันรักกาย เ, ยเหมือนกับตีลูกน้องมันตีลูกน้องหัวหน้ามันก็มันก็ต้องรู้แหละท่านในเมื่อหัวหน้ารู้ ก, ก็ต้องจับหัวหน้าท่าน ห, หัวหน้ามันมาจากไหนมันทําไมให้ความสําคัญอย่างไรในระพระจักกุบาลท่านท่าน เอาอริยบทสยืนเดินนั่งตลอดไตรมาสสมเดือนพอวันออกพรรษาท่านก็เลยสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์พูดอย่างรวบรัดนะแต่ตาของท่านก็แตกนะเพราะบุปกรรมเก่าที่ตาบอดนะครับเพราะบุปกรรมเก่าไม่ใช่พระไครโอตทหาร3เดือนแตตาบอดทุกคนไม่ใช่ผู้ที่อดต่อมาอดทหารก็มีแต่ว่าพระจกุบานอดทอาหารวันออกพรรษา ตาของท่านก็บอดกิเลสของท่านก็แตกออกพรรษาด้วย3การพร้อมกันออกพรรษาด้วยตาของท่านก็แตกด้วยอกิเลสในใจของท่านก็แตกด้วยแต่แต่ก็ไม่เป็นไรปัจจุบันท่านว่าไม่เสียใจเมื่อใดติกิเลสแตกแล้วนะ่ยถึงตาจะแตกหูจะแตกร่างกายจะแตกไม่หวั่นไหวท้งนั้นเพราะท่าน จุดหมายปลายทางแล้วถึงมักเป็นพระอาหารหันแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลถ้าเรามาเปรียบเทียบว่าการทําความภาคเพียรนั้นทํามากน้อยยังไงแค่ไหนในพระสาวกเนี่ยท่านทำมาแล้วอันนี้ยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวแล้วมีหลายๆตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่ท่านพูดกล่าวถึงพระสาวกในครั้งนั้น เพราะนั้นพวกเราการบาเพ็ญภาวนาเนะี่ยถ้ามันได้กำไรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นก็พยายามทำให้สม่ำเสมอแต่ถ้าว่ามันขาดทุนแมันขาดทุนคืออะไรมันอารมณ์เข้ามาทางใจเลยเออมันร้อนมโมโหโกรธาอยู่เรื่อยทำไมอย่างองค์หลวงตามหาบัวเนะี่ยท่านปัญญาอบรมสมาธินะ คนทั้งหลายได้ยินทีแรกนักปฏิบัติทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ได้ผู้ได้เรียนปริยัติธรรมมาพอได้ยินคํานี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออสั่งน้นใจแล้วว่ามีความเออทำไมมหาได้เป็นมหาถึงขนาดนี้ไม่มีหรอกมีแต่ว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่ปัญญาอบรมสมาธินี่ไม่เคยได้ยินทําไม ต่างคนก็ต่างสนใจบอกปัญญาอบ ร, รมสมาธินั้นอบ ร, รมอย่างไรหลวงตาอธิบายให้ฟังบอกว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเราบริกรรมพุโทโธกุโธพุโทพโธแต่ว่าใจของเรามันปุ่งฟุง้งมันไม่อยู่มันมีแต่คิดออกคิดออกเหมือนกับเราปิดน้ําเอาฝ่ามือปิดน้ําำน้ําที่มันไหลแรงมันปิดไม่อยู่แล้วจะทำยังไงแต่นี้ท่านกด หาวิธีไปปิดทั้งต้นน้ำบานีไปปิดต้นน้ำทานทำกนท่านพิจารณาในเมื่อมันจะจะออกก็ให้มันออกแต่ให้มีสติในการในการที่มันไปเอาสติจับตัวผู้รู้ให้พิจารณาร่างกายให้ดูร่างกายของตนเองเกสาผมโลมาข น, นขาเล็บาตาฟันตะโจหนังไล่ดูอาการสามสิบสองของร่างกาย <mister tumors> อย่างนั้นก็นมา ด, ah ดูกระดูกอีกเถนดูกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะกระโหลกของคนเป็นยังไงกระดูกคอเป็นยังไงกระดูกหายปาราดเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงกระดูกชี้โครงเป็นยังไงกระดูกแขนขวาไปถึงฝ่ามือกระดูก <away> น okay. ิ้วมือเป็นยังไงกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงแขนซ้ายแขนขวาแขนขวาแขนซ้ายดูให้ชัดเจนดูช้า จาก้นกระดูลงมาชี้โคมกระดูกหลังกระดูกสะโพกกระดูกขาดูดูจนถึงกระดูกนิ้วเท้านิ้วซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายดูให้ชัดเจนแล้วก็กลับมาดูอีกย้อนมาอีกย้อนลงอีกย้อนอีกย้อนอีกเออให้ละเอียด อ, อ, อย่าไปคิดพิจารณาแบบลวกๆกให้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาแล้วย้อนกลับ ให้เหมือนกับคลาดนาคลาดนาคือให้มูลไถมันแตกให้มันละเอียดให้รู้จริงเ็นจริงในความรู้สึกเพราะว่าใจของเราผ่านความสงบมาแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาถึงกระดูกมันก็จะเห็นกระดูกชัดเจนถ้าจิตใจของเรามันปุ่มฟุ้งไปมันไม่มีที่ขอบไม่มีขอบเขตมันก็จะไม่เห็นแต่นี่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วมันลังไม่อยู่แต่มันลังไม่อยู่แต่นี่เราพยายามมาให้พิจารณา กระดูกของตนเองไล่เรียงดูกระดูกเป็นข้อๆดูจากนั้นเมื่อเราเห็นกระดูกแล้วไในความรู้สึกของเราเราเห็นกระดูกท่อนไหนตรงไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเราเอาจิตจ่ออยู่จุดนั้นให้จับอยู่จุดนั้นหรือจะว่าเพ่งอยู่จุดนั้นก็ได้ให้กำหนดอยู่จุดนั้นก็ได้ในเมื่อเราเห็นกระโหลกศีรษะของเราขาโพน เรากำหนดดูเราก็เอาสติของเราจับอยู่ที่กะโหลกศีรษะของเราในเมื่อจับดูกระโหลกศีรษะของเรานั่นแหละใจของเราเมื่อเราพิจนารณาไม่รู้ว่ากี่เที่ยวเลยคล้ายๆกับ ม, มันอ่อนล้ากว่าได้เลยใจเมื่อกดจออยู่จุดนั้นนั่นแหละจิตใจมันจะรวมเพบเลยไอรวมลงเป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาใช้ในความคิด การกรองไ ต, ตรตรองพิจนารณาให้ทีท้วนในร่างกายจากนั้นก็กาหนดจุดจิตจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายอันนี้นาว่าเมื่อจิตใจรวมสงบลงได้ใช้ปัญญาคือความคิดการกรองไ ต, ตรตรองกระดูกนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานจากนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้น แจากนั้นก็นมาพิจารณาถึงตัวผู้รู้ทีนีตัวใจของเราทีให้ความสำคัญใครเป็นคนเห็นกระดูกอมันผ่านความสงบแล้วทีนี่ใครเป็นคนเห็นกระดูกกระดูกนั้นเป็นเราใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมร่างกายเป็นของเราใช่ไหมใจเป็นของเราใช่ไหมใจของเราเนี่ยไปรู้ก็เป็นอเนจังเหมือนกันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เออผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมอง เด็กคนดีใจเดวก็เสียใจเด็กคนดีใจเดวก็เสียใจใจของเรามันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันร่างกายก็เป็นอนิจจังเหมือนกันร่างกายก็เป็นอนิจจังใจก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงในเมื่อของไม่เที่ยงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะแล้วอย่างอื่นนะยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติศัก์เื่อเสียงเงินคําทรัพย์สมบัติวัดวาศาสนาเป็นของเราใช่ไหมใจ ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราแล้วของอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไ้มใจแต่นี้มันเมื่อเห็นสิ่งภายนอกมันก็ปล่อยวางที่ใจแล้วก็ปล่อยวางกระตั้งตัวผู้รู้อีกทีนึ่ที่ใจนี่แหละอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาสูงสุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณาอย่างนี้แนวทางแนวทางการพิจารณา ให้เห็นกายแล้วก็เห็นใจแล้วก็ผลที่สุดก็ปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เหตุตามความเป็นจริงใจรู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งออที่เป็นอมตะจะรู้ขึ้นมาจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนเขาเราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราไม่รู้พอเราเรียนหนังสือจบแล้วเราได้แล้วเรารู้แล้วเราจำแล้วก็ไก่ ขอไข่ข้อโคตรขอควายแหมอะไรก็ตามที่เราเรียนนี่แหละในเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่ไม่รู้มันก็ตกไปหายไปแหมมันก็รู้ขึ้นมาในใจรูตัวนั้นมันหนักไหมมันก็ไม่หนักพราะมันรู้แล้ว น, นี่แหละอันในใจของเราเขลักษณะอย่างนั้นะที่รู้มักรู้ผลมันปล่อยพวกเราทุกทุกท่านนะนา น, นานทีหลวงพ่อจะได้พูด จุดนี้ให้แก่พวกเราได้ศึกษาสําหรับพี่น้องชาวบ้านแต่สําหรับพระและหลวงพ่อพูดบ่อยเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องปัญญาอบรมสมาธิของหลวงตาใช้ได้ประโยชน์มีประโยชน์ตลอดตลอดมาถ้าบอกใจของเราพิจารณาละวปุงฟุ้งมันไม่อยู่เอาไม่อยู่อย่าอยู่เฉยเฉยเดินก็ให้เดินให้เห็นโครงกระดูกเวลานั่งก็เห็นโครงกระดูก เวลาเดินให้เห็นเหมือน ก, นกระโครงกระดูกเดินจมกลมอย่างนั้นอ่ะเวลา nang ใหเห็นเหมือนโครงกระดูกนั่งถ้าว่าเห็นในความรู้สึกจุดไหนที่เด่นชัดจะพิจารณาร่างกายของเราจุดไหนเห็นชัดเราก็เอาจิตจ่ออยู่จุดนั้นอย่างองค์โรงตาท่านว่าเรากําหนดดูแล้วเราเห็นแผ่นหลังให้คําว่าแผ่นหลังของเรา เป็นเนื้อแดงเถือกเราเห็นจุดนี้ชัดกว่าในการพิจารณาของเราเราเอากำหนดเราจิตกำหนดจุดจุดนั้นจุดที่แผ่นหลังของเรากำหนดอูกจุดนี้เห็นได้ชัดจิตใจเขารวมนี่แหละอันนี้ก็คือไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลวงพ่อนี่ยเคยเห็นโกรกที่สะตัวเองเขาวโพลเลยโอ้อันนี้ก็ชัดจริงจริงนะนี่แหละ อันนี้กสุดแท้แต่กรรมฐานหรือว่าท่านผู้ใดกําหนดแต่ไม่ต้องกลัวจะไปกลัวทําไมกลัวไม่กลัวก็เห็นอยู่ที่ตัวของเราอยู่แล้วมันไปไปที่ไหนมันกลัวไปเพื่ออะไรกล้าไปเพื่ออะไรมันต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นะเหมือนกับคนกลัวกลัวกระดูกกลัวกระดูกกลัวทําไมตัวเองก็นอนเฝ้ากระดูกตัวเองแต่บางคนกลัวป่าช้าเนี าากัวปาา่าช้าจะกลัวป่าช้าจะไปกลัวทําไมสุสานที่ใหญ่ที่สุดก็คือกระเพาะตัวเองแต่ละวันดูสิไม่ลวกเอเป็ดไม่ลวกไก่ไม่ลวกอาหารประเภทไหนเขาเอามาฝังในสุสานคือกระเพาะของตนเองเต็มไปหมดแต่ละวันนี่แหละป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดคือกระเพาะของเราแต่ละคนพิจารณาดูสิจริงไหม นี่แหะสูสารสูตรสารที่ฝังศพของสัตว์ทั้งหลายเลยกระเพาะของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าเรากลัวป่ายชาติเราต้องกลัวท้องของเรากลัวกระเพาะของเรามันจึงจะถูกนะ่ะแต่ไปกลัวแต่ที่อื่นแต่แล้ากลัวแบบลมลมแรงแรงแต่ไม่ให้กลัวเฉลยก็ไม่ได้นะถ้าไม่กลัวเฉลยเดี๋ยวว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วมีผีแน่ๆนะมีผีอยู่นะผีไม่มีเออ แต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นบ่อยหรอกทาไมจึงไม่เห็นเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนกับคลื่นวิทยุนะคลื่นวิทยุนะ FM AM ถ้าหมุนไปถึงคลื่นมันก็เจอกันเห็นกันได้ถ้าหมุนไปไม่เจอกันมันก็เห็นกันไม่ได้แต่ว่าคลื่นของวิญญาณแต่ละวิญญาณมันคลื่นของใครของเราเนะเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้มีกี่คลื่นนะนนคลื่นของใครของเราทั้งหมดแต่หลวงพ่อ มองไม่เห็นพวกเราก็มองไม่เห็นหลวงพ่อเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นคลื่นไหนแต่พระอนุรุทธะนะพระอนุรุทธะหรือพระพุทธเจ้าเลยท่านรู้นะท่านมองท่านเห็นได้เลยการนึกคิดของคนนึกคิดเรื่องอะไรท่านเห็นมองเห็นได้พระอนุ ร, รุทนะเป็นเลิศกว่าสาวกทางหลายในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าจะปริลิพผ่านภาษาลิบุตรอย่างอย่างรู้พระพุทธเจ้า พระจิตของพระพุทธญาอยู่ในระดับไหนไปไหนเดียวนี่เลยท่านรู้ได้หมดนะอันนี้ก็คือนิรศนะติปฏิสัมพิทาคือเป็นความรู้ของพระอระหรันตะ์ที่ท่านได้บมเพนมาแนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุมธนาให้พร